ีเรียเรื่องหอยเจ้าปัญหาที่วัดชนบทแห่งหนึ่งพระที่นี่ปฏิบัติธรรมเคร่งครับมาก พระกลุ่มหนึ่งจะตื่นตอนตีสแล้วเดินจงกรมรอบวัดในขณะที่เดินจงกรมไปตามคณารอบวัดก็เห็นหอยทากตัวเล็กๆตายขึ้นมาบนคนาเต็มไปหมดยืนคิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเดี๋ยวพระชุดที่ตื่นตีห้าออกบินทบาตจะเหยียบหอยทากตายเป็นบาป จึงช่วยกันจับหอยทากออกจากคนาแล้วโยนลงไปในนาข้าวเชาว้าพระชุดที่ตื่นตีห้าก็ออกบินทบาทปกติแต่พอตอนสายๆชาวบ้านแห่กันมาเต็มวัดเลยมาพบเจ้าอาวาสบอกว่าตอนนี้หอยทากกัดกินต้นข้าวในนาเสียหายหมดแล้ว ให้รีบสอบสวนหาคนผิดด่วนเจ้าอาวาสรีบให้เนนไปตามพระชุดที่ตื่นตีห้ที่ออกบินทบาทตอนเช้ามาพบแล้วถามว่ารู้ปัญหาหอยทากกัดกินข้าวในนาชาวบ้านไหมพระชุดที่ตื่นตีห้าบอกว่าพระชุดนี้ออกบินทบาทตามกิจของสงฆ์เป็นปกติ ทำตามธรรมะวินัยอย่างเคร่งครัดทุกอย่างไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหอยทากที่กัดกินนาข้าวเกิดจากพระที่ตื่นตีสี่จับโยนต์ลงไปเจ้าอาวาสได้ฟังก็บอกว่าถูกถูกถูกพวกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมะวินัยท่านทำถูกต้อง น่าสรรเสริญเสร็จแล้วให้เนนไปตามพระชุดตื่นตีสีมาพบชาวบ้านร้องเรียนว่าพวกท่านจับหอยทากโยนใส่นาข้าวทำให้ข้าวถูกกัดกินเสียหายจริงหรือเปล่าพระกลุ่มตี4ีตอบว่าพวกเราตื่นตีสีก็ออกไปเดินจงกรม ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ขณะเดินจงกรมบนคันนาเห็นหอยทากตัวเล็กๆ เ, เต็มไปหมดถ้าปล่อยไว้อย่างนั้นเกรงว่าพระที่ตื่นตีห้าออกมาบินทบาทจะเหยียบหอยทากจะเป็นบาปและถ้าไม่ช่วยเหลือปล่อยให้หอยตายก็จะเป็นผู้ขาดเมตตาผิดวิสัยผู้สงสีน เจ้าอาวาสได้ฟังก็บอกว่าถูกถูกถูกจิตใจของพวกท่านสูงส่งเหลือเกินสมเป็นสิทธิอาตมาเน้นนั่งฟังอยู่อยากรู้ว่าใครถูกใครผิดหลวงพ่อจะตัดสินยังไงพอได้ฟังก็หงุดหงิดเอ๋หลวงพ่อนี่ยังไง พระกลุ่มน้นให้เหตุผลหลวงพ่อก็บอกว่าถูกถูกถูกพอพระกลุ่มนี้ให้เหตุผลหลวงพ่อก็บอกว่าถูกถูกถูกอีกตกลงก็ไม่มีคนผิดละสิเออถูกถูกถูกเนรพูดถูกไม่มีใครผิด ชาวบ้านโมโหทนฟังหลวงพ่อต่อไปไม่ไหวลุกขึ้นชี้หน้าหลวงพ่อพวกเรารอต่อไปไม่ไหวแล้วกว่าหลวงพ่อจะหาคนผิดได้หน้าข้าวของพวกผมจะฉิบหายหมดแน่ตอนนี้ผมอยากรู้อย่างเดียวว่าหลวงพ่อจะแก้ปัญหา ย, ยังไงหลวงพ่อตบมือฉาดลุกขึ้นยืน เองพูดถูกที่สุดชาวบ้านสุดเซ็งกับคำพูดของหลวงพ่อเจ้าอาวาสทุกยังไงหลวงพ่อปัญหาของเราตอนนี้คือหอยทากกำลังกัดกินต้นข้าวในนาสิ่งที่พวกเราต้องทำเร่งด่วนในขณะนี้ก็คือทุกคนต้องร่วมมือกันไปเก็บหอยทากออกจากนา ไม่ใช่มานั่งเถียงกันว่าใครผิดใครถูก